ยันไงบัญชีมีใครมาอยู่ไหมมาเกี่ยว่ก่อนอันนี้มีสองคนนะเวลาไม่มีคนอยู่อยู่คนเดียวนะน่ากลัวเลอยู่คนเดียวน่ากลัวจ้แต่หงอบอกว่าตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ให้น้งโทัตลอดนะคก็ช่วยได้เยอะที่น่ากลัวก็ดีมนจะทำให้เรา มีสติสตังมีปัญญ า, ามันต้องอาศัยสติปัญญาดับความกลัวเท่านะั้นอย่างอื่นดับไม่ได้มีปืนก็ดับความกลัวไม่ได้มีอะไรก็ดับความกลัวไม่ได้ต้องใช้สติใช้ปัญญาเวลาเรากลัวอะไรนะท่านบอกว่าให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปส่วนมนตไป อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เรากลัวความกลัวมันอยู่ในใจเรามันไม่ได้อยู่ข้างนอกเราไปคิดเองคิดว่ามีนูน่นมีนี่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้พอคิดไปก็เลยกลัวขึ้นมาพอเราอยุดความคิดได้พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็เลยก็หายกลัวแต่มันยังมันไม่หายกลัวแบบเด็ดขาดเดี๋ยวคิดอีกก็กลัวอีก ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างเด็ดขาดก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็ทางวิละโก้เลยโกวตายเลยแล้วไม่ตายนะพอเราเกิดมาแล้วมีใครไม่ตายบ้างถ้ามันถึงเวลาจะตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายมีรอพอๆมียามีตำรวจเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็ตายได้ คนเราเมื่อถึงความถึงเวลาตายแล้วไม่มีใครมาห้ามได้ก็คิดแต่ว่าอาจจะเป็นถึงเวลาของเราที่ต้องตายแล้วก็ได้พอยอมตายพอยอมตายมันก็หายกลยัแล้วเราก็ยังไม่ตายอัที่ตายก็เกิดกนะิเลสื่องความโกลัตายความกลัตวาลตายนี้มันจะหายไปจะตายไปหมดถ้าเรายอมตายแล้วทุกอย่างมันจบ ไม่มีอะไรน่ากลัวอีกต่อไปอันนี้ต้องให้มีเกิดความกลัวถ้ามันไม่เกิดความกลัวมันก็ไม่คิดหายามาแก้ตอนนี้เราปลอดภัยนะัอยู่นี้ปลอดภัยก็เลยไม่คิดอยากจะพูดโทกันไม่คิดอยากจะตรงกันแต่ถ้าไปอยู่ตรงไหนที่มันน่ากลัวคิดว่าอาจจะต้องตายเนี่ยมันจะทุกข์มากมันจะเครียดมาก ถ้ามันไม่โปร่งแล้วไม่ใช่สติมันจะทรมานมากมันจะกลัวมากแค่ไม่ต้องเวลากลัวมากมากนี้มันต้องหาที่พึ่งถ้าไม่มีที่พึ่งก็ต้องใช้อา <c oughs> ่าก็เรียกลุงพ่อโกย <c oughs> หนีอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้ากลัวมากมากก็ต้องโกยต้องหนี แต่ถ้าเราหนีไม่ได้ไม่ไม่มีที่ไปจนตรอกนี่ก็ต้องอาศัยอาศัยธรรมะอาศัยพุโทโธห ร, อ ร, รือาศัยปัญญาอาศัยความจริงความจริงก็คือเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครร่วงพน้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้อยอมตายไปแล้วมันก็จะให้กลัว ผลจะตายจริงหรือไม่ตายจริงนี่ก็แล้วแต่เหตุการณ์ถ้าไม่มีเหตุการณ์มันก็ไม่ตายบทีเราใจเราหลอกไปเองนั่งคิดไปเองผวาไปเอได้ยินเสียงหน่อยหรืออะไรก็คิดไปแล้ว<ม>อ่ะใครมาแล้วใครจะมาทำอะไรนะถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวมันก็ยิ่งโกวย์นั่ถ้าเรายัางตรงไม่ได้ยังใช้ปัญญาไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ใช้สติไปก่อน พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีก็คือจิตจะสงบจะได้สมาธิธรรมดาเราไม่ค่อยชอบพุโทโธลย่างนี้ชอบคิดถึงเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่พอจะมีและมีภัยเข้ามานี้โอ้โหมันพุโทโธกันทีเลยมันจะไม่คิดถึงอะไรเลยบางคนก็สวดมนต์กันยับเลย ม่ตกลัวอะไรนี่พอสวดแล้วใจก็สงบความกลัวก็หายไปส่วนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันจะจริงไม่จริงนี่เราก็ไม่รู้ถ้ามันจะเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะตายต้นนั้นก็ไม่มีใครห้ามได้ถ้ามันจะไม่ตายก็ไม่มีใครมาทำให้ตายได้นี่คือวิธี ทั้งนักปฏิบัติธรรมท่นมักจะไปหาที่น่ากลัวอยู่กันเพรเวลาที่น่ากลัวแล้วมันต้องขยันพุโทโธกันถ้ามันไม่พุโทโธเนี่ยมันคิดถึงเรื่องเรื่องนี้มันจะอยู่ไม่ได้มันจะมันจะทรมานใจมากมันจะกลัวมากแต่ถ้ามีพุโทโธพุธโทโธอยู่ไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทําให้เรากลัวมันก็ไม่กลัวจิตสงบ แล้วก็ได้สมาธิมาต่อไปนั่งสมาธิที่ไหนก็ได้แลไม่ต้องไปหาที่กลัวนั่งก็ได้พอเรานั่งเป็นแล้วเรามีพุทธโธเราบริกรรมพุทธโธเป็นแล้วต่อไปเราก็อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ไแล้ก็พุทธโธงเราได้ทาใจให้สงบได้ถ้ามันไม่อยองพุทธโธก็ต้องพามันไปหาที่กลัวใหม่ไปนั่งในป่าช้าด้วย เนี่ยพอมันคิดขึ้นมากลัวเนี่ยมันก็จะพุโทโธแต่ไม่ต้องมีใครบังคับเลยถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยนี้มันจะคิดแต่ขนมบ้างคิดแต่ทีวีบ้างสมัยนี้ก็คิดแต่ไลน์บ้างมือถือบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้มันจะไม่ยอมคิดถึงพุโทโธกันที่พวกเรานั่งสมาธิกันไม่ได้ผลก็เพราะไม่มีสติกัน ไม่สามารถควบคุมความคิดชอบคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คิดแล้วก็เพ้ฝันอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้คิดอยู่อย่างนี้ยิ่งคิดแล้วยิ่งมีความอยากจิตยิ่งฟุ้งซ่านอย่างมันก็เลยนั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิก็พูดโทได้สองคก็ไป คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะนักปฏิบัติที่ต้องการได้ผลเร็วๆนี่เขามักจะไปหาที่น่ากลัวอยู่กันภาพทุดง่ท่านไปทุดงในป่าไปอยู่ในที่มีใครรอบด้านอย่างภาพบนเขานี้ท่านมีแคลอยู่กันไม่มีกุตินะบางบางหลังบางหลังก็มีกุติบางหลังก็ไม่มีที่ไม่มีก็มีแค่ มีมีแค่หลังคาไม่มีฝามีพื้นั่งไว้สลับนั่งนอนมีทางเดินจงกลมแต่ไม่มีฝาปิดไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างรอบด้านอยู่อย่างนั้นมันจะมีสติสตังมันจะสามารถระวังมันจะค่อยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงความกลัวต่างๆแล้วนั่งสมาธิก็จะนั่งได้ สงบได้นั่งได้นานสงบได้นานมีความสุขได้นานพอมีความสุขแล้วก็อยู่ได้อยู่ในป่ามีความสุขก็อยู่ในเมืองอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนี้มันมีแต่สิ่งที่มาทำให้เราไม่สงบ ก, กันมีแต่สิ่งที่ทำให้เราวุ่นวายใจกัน ทั้งๆที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่มันก็มีความวุ่นวายใจมีความทุกข์มีความอะไรต่างๆติดตามมาด้วยมีปัญหาต่างๆตามมาแต่ถ้าอยู่ในปา่าอยู่ในที่เงียบๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าใจสงบแล้วมีแต่ความสุขไม่ต้องมีอะไร สบายกว่ามีแล้วก็ต้องยุ่งกับมันต้องคอยหามาอยู่ในบ้านในเมืองนีถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาทีนี่โอ้โหวุ่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองน้ำน้ำไม่ไหลน้ำประปาไม่ไหลทีก็ลาบากกันในบนเขานี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาทำไมเขาอยู่กันได้อย่างสบายเพราะเขาไม่ต้องไปพึ่งเขาก็ รองนฝนเราเนี่ยฝนตกก็ลองน้ำฝนใส่ถังไว้มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นใช้ตามมีตามเกิดถ้าไม่มีก็ลงไปใช้ข้างล่างเวลาไปบินตะบะดตอนเช้าก็ลงไปอาบน้ำข้างล่างไปซักผ้าข้างล่างกันแต่อยู่แบบไม่วุ่นวายมีอะไรแล้วมันทำให้เราอ่อนแอมีอะไรแล้วเราต้องพึ่งมัน เวลาขาดมันเราก็วุ่นวายใจันนี่แหละาหาของพวกเราเราไม่พึ่งตัวเราเองเราไม่พึ่งสติไม่พึ่งปัญญาเราไปเพิ่งข้าวของเงินทองสิ่งต่างๆมาคอยทำใจของเราให้มีความสุขให้ใจเรามีความรู้สึกว่าปลอดภัยแต่เดี๋ยวถึงเวลาภัยมันภัยมันเข้ามามันก็ ทำอะไรมันไม่ได้อยู่ในบ้านในเมืองที่ปลอดภัยเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บได้เดี๋ยวก็ตายได้ตอนนั้นก็จะไม่มีอะไรมาคุ้มครองใจเราเลยเพราะไม่มีอะไรที่เรามีสามารถมาคุ้มครองใจเราได้เงินทองมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่จะตายได้ ใครก็ทําให้ใจเราไม่ทุกข์ไปได้สามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องญาสนิทมิตรสหายถึงเวลาที่เราทุกข์นี่ไม่มีใครมาช่วยเราได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายนี่ตัวใครตัวมันจริงๆ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าถึงสอนไอัตตาหิอตโนนาโทกันถึงเวลาเราไม่มีใครเราพึ่งใครไม่ได้ ถึงเวลาที่เราเจอความทุกข์นี่เราพึ่งใครไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเราพึ่งของภายนอกไม่ได้เลยเงินทองก็พึ่งไม่ได้ตอนนี้เราคิดว่าโอ๊ยมีเงินทองสบายขาดอะไรต้องการอะไรก็ใช้เงินซื้อได้แต่เวลาเกิดเหตุการณ์ที่เงินซื้อไม่ได้ทํำไง ไม่สบายไปหาหมอจ่ายเงินให้หมอกี่แสนกี่ล้านหมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้จะทำยังไงไม่อยากตายอยากจะหายพออยากจะหายก็ยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยากอยากให้หายอยากไม่ตายแต่เวลามันจะตายไม่มีใครห้ามได้ อยากไปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่อิ่งทรมานใหญ่แต่ถ้าเรามาปฏิบัติทำกันมาฝึกสติมาฝึกปัญญากันต่อไปเราจะมีสติทําใจให้สงบแล้วสอนใจให้โปร่งว่าร่างกายนี้ถึงเวลามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ต้องปล่อยมันยับ อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปนันานคานเพราะถ้าอยากแล้วมันจะทรมานใจมันไม่สามารถประหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ถ้าเราปล่อยเราสามารถหยุดความทุกข์ได้เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเรายอมให้ร่างกายนี้แก่ให้มันเจ็บให้มันตายไปแต่ถ้าเราอยู่ที่ ปลอดภัยแล้วเราเอาศัยสิ่งตา่างๆเป็นที่พึ่งเราก็จะไม่คิดที่จะสร้างที่พึ่งอันนี้กันเราก็จะคิดว่าโอ้ยเราสบายเราปลอดภัยเรามีเงินทองเราเดือดร้อนอะไรเราใช้เงินทองแก้ปัญหาได้หมดใช่แต่มันมีปัญหาที่เงินทองแก้ไม่ได้ที่เราไม่รู้กันและคิดไม่ถึงกันว่าเงินทองช่วยเราไม่ได้ถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ ที่ไม่มีใครจะมาหยุดมันได้ก็จะเกิดความทุกข์มากแต่ถ้าเรามาสร้างสติสร้างปัญญากันเราจะสามารถที่จะหยุดความทุกข์ต่างๆได้ถ้ามีสติก็จะหยุดได้ชั่วข้ามชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเวลาทุก เพราะไม่สบายอยากจะให้หายมันไม่หายเราก็พุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิไปพอใจสงบมันก็จะหายทุกข์แต่มันจะยังไม่หายขาดเพราะเดี๋ยวไปคิดถึงความเจ็บถ้าเกิดให้เกิดความอยากให้มันหายขึ้นมาอีกก็จะทุกข์ขึ้นอีกก็ต้องใช้สติหยืดมันไปเรื่อยๆพอทุกข์กบพุโทโธพุโทโธไปนั่งสมาธิไปทาใจให้สงบไป มันก็ยังพอบรรเทาได้ยังพอมีที่พึ่งเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นที่พึ่งที่ถาวรต้องคอยเอาใจเข้าสมาธิหลบความเจ็บของทางร่างกายแต่ถ้าเราเจริญปัญญารู้จักใช้ปัญญาเราจะส า, สามารถสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายได้สอนใจให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา มันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครยับยั้งมันได้ห้ามมันได้ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะทรมานมากจะทุกมากถ้าไม่มีความอยากมันจะไม่ทุกพอใจมีความเข้าใจว่าที่ทุกเกิดจากความอยากก็หยุดความอยากเอาแล้วมันจะแก่ก็มันแก่ไปมันจะเจ็บก็มันเจ็บไป มันจะตายง่ายมันตายไปพอเราหยุดความอยากได้เราจะหายทุกข์ไปแล้วเราจะไม่มีความกลัวเจ็บกลัวตายต่อไปอันนี้ถ้ามีปัญญาพิจารณาแยกแยะร่างกายได้ว่าพิจารณาร่างกายได้ว่าร่างกายไม่เทีย่ยมเป็นของชั่วคราวเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเราเป็นผู้รับของขวัญจากพ่อแม่คือร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ทามาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวตายไปมันก็กลับเกินสู่ดินน้ำลมไฟขณะที่มันอยู่มันก็ไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ลองค้นหาดูในร่างกายนี้ยู่ยลองชำแหละออกมาดู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 มีแต่หน้ามีแต่อาการต่างในร่างกายนี้ไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเราเลยเราไปตู่มันเองเราไปหลงไปคิดว่าเป็นเราเอง<ม>แล้วเวลามันตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปกับมันเราเป็นใครเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่พิจารณาร่างกายผู้ที่สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆนี้ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายถ้าไม่มีเราเป็นคนสั่งมันไปไหนไม่ได้อย่างวันนี้ถ้าไม่สั่งให้มาที่นี่จะมาได้ไหมต้องคิดก่อนใช่ไหมคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะมาวัดพอคิดแล้วก็สั่งให้มันออกเดินทางมาถ้าไม่คิดมันก็ไม่มานี่นะ่ะคือผู้คิดผู้รู้คือตัวเรานี่แหละเราเป็นคนคิดใช่ไหมเราเป็นคนรู้ใช่ไหมว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่ ตอนนี้เรารู้เสียงที่กาลังพูดอยู่ไหมเนี่ยคนนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับเสียงแลวส่งไปให้คนรู้อีกทีนึงร่างกายนี้มีหูถ้าไม่มีหูหูหนวกก็จะไม่ได้ยินเสียงก็จะไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรอยู่คนรู้อยู่และมีร่างกายอยู่แต่เกิดร่างกายหูหูหนวกก็ไม่สามารถรับรู้เสียงได้ ร่างกายเป็นตัวรับสื่อต่างๆรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับอะไรต่างๆแล้วส่งไปให้ตัวรู้อีกทีหนึง่งตัวรู้ก็คือเราเนี่ยพอเห็นรูปเราก็รู้ว่าได้เห็นรูปแล้วก็คิดต่อไปว่ารูปนี้เป็นใครเป็นอะไรแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาถ้าเป็นรูปที่เราชอบเราก็ดีใจ ถ้าเป็นลูกที่เราไม่ชอบเราก็ไม่สบายใจแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาถ้าลูกที่เราชอบก็อยากได้เจอคนที่เราอยากเรารักเราชอบเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราเจอคนที่เราไม่ชอบเราเกลดก็อยากจะให้เขาไปเร็วๆพอเกิดความอยากก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานี่เกิดกตัวเรา ตัวรู้เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือรับรูปเสียงกิน่นรสต่างๆเข้ามาให้เราได้เสพได้สัมผัสแล้วเราก็ไปยึดไปติดกับสิ่งที่เราได้รับรู้พอรูปที่เราชอบหายไปก็เสียใจใช่ไหมโทรศัพท์มือถือนี่เป็นรูปที่เราชอบนะ เวลาหายไปเราดีใจแล้วเสียใจนั่นเสียแล้วเราไปทําอะไรมันได้ะ่ะเวลาเราไปเราทิ้งร่างกายไปแล้วเอามันไปได้ปะก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องทิ้งร่างกายนี้หยุดเต้นปั๊บตาหูจมูกลิ้นกาย ก, ายก็ทํางานไม่ได้เราก็อยู่กับมันไม่ได้ เราก็ไปหาร่างกายใหม่ไปรับร่างกายใหม่ตอนก่อนจะไปรับร่างกายใหม่ก็ไปรับผลบุญผลบาป ก, ก่อนนะเวลาที่คนตายไัแลเนี่ยดวงวิญญาณนี้จะต้องไปรับผลบุญผลบาป ก, ก่อนก่อนจะกลับมารับร่างกายใหม่นะถ้าทำบาปไวมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปทางอบาย ไปเป็นไปนได้ร่างกายของแมวบ้างของหมามัาง้งหรือถ้าไม่ได้ร่างกายก็ได้ไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือสภาพใจที่ทำบาปใจมันจะมันจะไปทำตามที่มันเคยทำเวลาเราทำบาปนี้เราก็ไม่ต่างจากในราชาใช่ไหม เดราชานี่มันมีสีไหมมันรู้จักรักษาสีห้าได้ปะเวลามันอยากกินอะไรมันก็ข้าบไปเลยนะใครเผลอวางไว้นี่มันก็ขโมยไปเลยถ้าเราขโมยเราก็เหมือนกับเดราชานนะเวลาเขาจะปะพฤติผิดประเวณีเขาก็ปะพฤดผิดประเวณีกันเขาไม่ไปสู่ขอกันก็ไม่มีคู่ไม่มีแฟนกันเจอใครที่ไหนเขาชอบเขาก็ เาก็ร่วมเสพการกันอันนี้คื อ, อนิสัยของเดรัจฉานถ้าเราใช้นิสัยของเดรัจฉานก็แสดงว่าเราเป็นเดรัจฉานแล้วร่างกายเรายัางเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจเราได้กลายเป็นเดรัจฉานกันแล้วหรือถ้าทําบาปมากกว่านั้นก็ไปเป็นเปรตหรือไม่เช่นนั้นก็ไปนรกเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตใจเรานี่แหละเป็น ที่จะเป็นอะไรต่างๆเ ป, เป็นเดรัจฉานก็ปนนไปมีร่างกายของเดรัจฉานตัวรู้ตัวคิดก็ยังตัวเดิมแต่คิดแบบเดรัจฉานอยากจะอะไของใครก็ไม่ขออนุ ญ, ญาตเขาก่อนอยากจะได้อะไรของใครก็คว้าเลยเขามยเลยถ้าใครมาทําอะไรให้โกรธเกลียดก็ฆ่าเลยอันนี้เป็นความคิดของของสัตว์ของผู้ที่อยู่ในอบาย ถ้าเราทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เราเป็นมนุษย์แต่ใจเรานี่เปลี่ยนไปแล้วเ ป, เป็นเนดราชฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์น ร, รกบ้างแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราทำบุญเนี่ยใจของเราก็จะเป็นเทวดาขึ้นมานเวลาทำบุญใจมีความสุขมีความเย็นมีความสบายเวลาทำบาปใจจะร้อนใจจะวุ่นวาย เวลาใจสงบใจมีความเย็นก็เรียกว่าสวรรค์มีความสุขเวลาตายร่างกายตายไปใจก็จะสุขสบายอยู่ในสวรรค์ไปจนกว่าบุญที่เราทำมันมันหมดกําลังที่จะดึงให้เราอยู่ในสวรรค์ได้เราก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับบาปถ้าบาปมันหมดกําลังที่จะดึงเราให้อยู่ในอาบาย เราก็กลับมาได้ร่างกายมนุษย์ใหม่แล้วก็ามาทําบุญทําบาปใหเนี่ยให้เราพิจารณาร่างกายว่าเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เป็นของเราเป็นของที่เราได้มาจากพ่อแม่แล้วพอเราได้มาแล้วเราก็เอามาใช้มันวิธีใช้มันแล้วก็มักจะใช้ไปตามนิสัยของเราถ้าเรามีนิสัยชอบทําบาปล้วก็จะทําบาปไปถ้าเรามีนิสัยชอบทําบุญเราก็จะทําบุญ ถ้าเรามีนิสัยไม่ชอบทำบาปเราก็จะไม่ทำบาปแต่นิสัยนี้เราเปลี่ยนได้ถ้าเราชอบทำบาปแล้วเรามาอยู่กับคนที่เขาไม่ทำบาปแล้วก็สอนเราว่าทำบาปไม่ดีนะทำบาปแล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราเชื่อเราก็เปลี่ยนได้เช่นตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีศีลห้าเราก็มาถือศีลห้ากันได้เคยถือศีลห้ากันไหม ถือได้ตลอดหรือกปล่าไม่ได้ตลอดนะอทําไมนะ่ะไม่เชื่อว่าศีลดีกว่านะทําบาปมาขาดทุนนะได้ได้ไม่คุ้มเสียนะได้เงินได้ทองได้อะไรมาแต่เดี๋ยวต้องไปใช้บาปนะถ้าเรารักษาศีนถึงแม้เราอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้แต่อย่างน้อยเราไม่ต้องไปใช่บาปนะเรายัางรักษาความเป็นมนุษย์ได้ หรือว่าถ้าเราตายไปโดยที่เราไม่ได้ทํำบาปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เลยไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานก่อนไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นสัตว์น ร, รกเนี่ยอันนี้แหละสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเราไม่รู้กันว่าเราเป็นใครกันเรามักจะคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เล ย, ยึดติดกับร่างกายนี้พอร่างกายเป็นอะไรก็เลยวุ่นวายใจไะ ร่างกายมีสิวมีฟ้าขึ้นมาหน่อยก็วุ่นวายใจนะะร่างกายหนังเหี่ยวหนังย่นหน่อยก็วุ่นวายใจนะผมเริ่มหงอขึ้นมาหน่อยก็วุ่นวายใจนะแล้วเปลี่ยนมันได้ห้ามมันได้หรือเปล่าของพวกนี้ดูคนแก่ดูเมื่อก่อนก็ก็สาวเหมือนเราหนุ่มเหมือนเราเลยแต่เขาอยู่ไป น, นานๆเขาเขาก็ต้องแก่ลงไปเราก็เหมือนกันเราควรจะมองคนแก่ว่า เขาคือเขาคืออนาคตของเราเราคืออดีตของเขารืมมองคนตายเวลาไปงานศพก็ให้พิจารณาว่าเวลาเห็นศพนี้ให้พิจารณาว่านี่หคืออนาคตของเราต่อไปเราก็ต้องไปนอนในโรงเหมือนเขาเราเป็นอดีตของเขาเมื่อก่อนที่เ็าจะไปนอนในโรงเขาก็อยู่นอกโรงเหมือนพวกเราอยู่ตอนนี้ คิดอย่างนี้เพื่อเราจะได้โปลงให้หวางได้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายยิ่งถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรานี้เรายิ่งจะปล่อยได้ง่า ย, ยก็ดูเสียนมันมเราใครเป็นคนสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาเราเป็นคนสร้างมันหรือเปล่าเราไม่มีรูปไม่มีร่างเราไม่มีอะไรเราจะไปสร้างอะไรได้เราเป เราเป็นตัวรู้ตัวคิดเท่านั้นเองเราก็เลยมารอให้พ่อแม่เขามาสร้างให้เรากั น, นเวลาพ่อแม่เขาสร้างกันขึ้นมาเราก็ไปรับเป็นของขวัญเราพอค้อเรามาจากท้องแม่เราก็เอามาใช้มันตอนต้นการเลี้ยงมันก่อนให้มันกินข้าวให้มันกินน้ำให้มันหายใจให้มันจเจริญตออโตขึ้นมาพอมันโต จนกระทั่งสามารถใช้งานใช้การได้ก็เอาไปใช้น่ะใช้เราก็ลืมไปคิดว่ามันจะจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆจะไม่มีวันแก่กันพอใช้ไปสักสี่หปีอ้าเริ่มแก่แล้วเลยทีก็เริ่มวิตกเริ่มกังวลแล้วแล้วถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ตกใจกลัวกันเอ้มันจะเป็นมากเป็นน้อยจะหายหรือไม่หาย กิดไปต่างๆนานาแต่ถ้าเราสอนใจไว้เรื่อยๆว่าเนี่ยร่างกายมันเป็นอย่างเนี้ยมันจะเกิดแล้วมันก็จะเริ่มเติบโตขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายบางทียังไม่ทันแก่ก็เจ็บก็ได้ตายก็ได้คนเนี่ยกิดมานี่ตายได้ทุกเอาไวทุกวัยเด็กบางคนเกิดมาได้วันหนึ่งก็ตายก็มี เจ็วันตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีปีหนึ่งตายก็มีสิบปีก็มียี่สิบปีสามสิบปีมีคนตายทุกอายุไหวเราก็ไม่รู้ว่าจะไปถูกหวยงวดไหนวันนี้วันนี้วันนี้หกถูกหวยอยากจะถูกหวยกันลเลือกินแต่หวยความตายนี่ไม่เคยอยากจะแทงกันเลยนะไม่ลองแทงหวยความตายดูบ้าง嘛 ลองลองดูว่าวันนี้เราจะถูกหวยหรือเปล่าวันนี้เราจะตายหรือเปล่าลองคิดดูสิคิดเผื่อไว้ก็เดินไปลื่นหกล้มหัวก็แทกขินฟาดตายไปเวลเวลามันจะตายมันไม่ได้เตรียมตัวตายหรอกมันตายแบบผึอผับมันตายแบบไม่ไม่รู้ตัวกันแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลามันจะตายนี้เราจะไม่ทุกข์ เราก็บอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นของขวัญที่พ่อแม่ให้มาเหมือนโทรศัพท์มือถือที่พ่อแม่ให้เรามาใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องพังพังก็ทิ้งมันไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้าเรามีเงินใหม่แล้วก็ซื้อเครื่องใหม่ได้คิดว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งก็้วกันเะนั้นมันถ่ายภาพให้เราได้นะมีกล้องสองกล้องนะตาสองอันนี้ก็เป็นกล้องนะ หูนี่ก็เป็นที่รับเสียงนะเป็นไมโครโฟนนะ่ากก็เป็นไม่ลำโพงเนะนี่ยเหมือนกับมือถือเลยมือถือสู้ร่างกายเราไม่ได้ตรงที่มันรับกลิ่นไม่ได้รับรับรสไม่ไดนะ้ต่อไปมัก็อาจจะทําให้มันรับได้ก็ได้ต่อไปดูภาพก็น้ํำลายไหลเลยได้กลิ่นโชยเข้ามาในจมูกเลย เอาไปถ้าโทรศัพท์มันรับกลิ่นรั บ, รบกบลิ่นได้รับนิ้นได้เราก็ไม่ต้องไปไหนแล้วนะไม่ต้องไปกินข้าวแะหิวก็เอาโทรศัพท์ออกมากดอาหารชนิดใดที่ต้องการมันก็โผล่ึันมาได้ลิ้มรสดมกลิ่นเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยร่างกายเราไม่เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหมือนแค่นนะั้นมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นตัวเราเราเป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือกัน ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ติดต่อกันไม่ได้ใช่ไหมสมมติร่างกายนี้ตายไปเราจะติดต่อกับคนอื่นที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหมจะคุยกันได้ไหมไม่ได้แต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่รู้ตรงนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นใครเราต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วใจจะแยกออกจากร่างกายเองเราจะแล้เราจะเห็นตัวเราว่า ตัวรู้ตัวคิดอยู่ตรงนี้เองเป็นอย่างนี้เองครับตัวส่วนตัวร่างกายนี้เป็นเหมือนมือถือเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเวลาใจสงบนี้ร่างกายนิ่งเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเราจะเห็นชัดเลยว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็พร้อมที่จะปลงได้เลยยินดีที่จะปลงพราปลงแล้วมันสบาย ปลงแล้วมันหายเครียดหายทุกข์เนะถ้าไม่ปลงเนี้ยอมันจะเครียดมากเครียดจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายคามนต้นไม่อยากตายพอเครียดมากๆ ก, ก็อยากจะฆ่าตัวตายสิเช่นคนเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายเครียดมากก็เมื่อไม่หายก็ฆ่ามันเลยดีกว่าฆ่ามันก็มันก็ไม่หายเครียดเพราะความเครียดอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ความเครียดมันก็จะพาให้เราไปอบายกันแลวเวลาไปได้ร่างกายใหม่ก็จะเครียดใหม่เหมือนเดิมไม่ได้แก้ปัญหากลับมาเกิดชาติใหม่ก็จะฆ่าตัวตายเวลาเจอปัญหาเราแก้ไม่ได้ก็จะคิดฆ่าตัวตายเป็นวิธีแก้ปัญหากันอันนี้ก็จะทำให้เราไม่มีวันที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ การจะออกจากเวีนว่ายตายเกิดนี้เราต้องต้องปล่อยวางร่างกายมองเห็นให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นกล่องทุกขมีมันรับทุกอย่ามีมันดีกว่าอย่าใช้ร่างกายดีกว่าถ้าเราไม่ใช้ร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกายวิธีจะใช้ไม่ใช้ร่างกายได้เราก็ต้องหยุดหยุดความอยากความอยากเป็นตัวที่ทําให้เราต้องมาใช้ร่างกายกัน อยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากริ่มรสจมกลิ่นก็ต้องมีลิ้มมีจมกูกอยากสัมผัสอะไรต่างๆก็ต้องมีร่างกายแต่ถ้าเรามาหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้วิธีที่จะไม่หยุดความอยากได้ก็ต้องมาทำใจให้สงบนี่นั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้ใจสงบใจจะอิ่มใจจะมีความสุข ในตัวของมันเองมันไม่ต้องมีอะไรให้ความสุขกับมันมันก็เลยไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเมื่อมันมีความอิ่มมีความสุขมันก็ไม่อยากได้อะไรไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวสบายกว่าเพราะได้อะไรมาเดี๋ยวก็เบื่อใหมดูอะไรไปสักพักเดี๋ยวก็เบื่อได้ยินอะไรซ้ำๆซักๆเดี๋ยวก็เบื่อ กินอะไรให้อร่อยขนาดไหนถ้ากินทุกวั น, นเดี๋ยวมันก็เบื่อเบื่อแล้วก็ต้องหากินอย่างอื่นใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่คือความอยากมันจะพาให้เราต้องใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสรมาให้ความสุขกับใจแต่พอใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิใจไม่ต้องใช้ร่างกาย เพราะไม่มีความอยากได้รูปเสียงก ล, ลิ่นรสล้เข้าสมาธิดีกว่านั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธพอใจตกหลุมตกเข้าไปในหลุมของสมาธิมันก็เน่งสงบสบายมีความสุขไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยเฉถ้าอย่างนี้ต่อไปไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่มามาหาร่างกายอันใหม่เพราะร่างกายอันเก่านี้ยังไม่ใช้เลย เหมือนตอนนี้ถ้าคุณไม่ใช้มือถือแล้วคุณจะไปซื้อเครื่องใหม่มล่ะล่าถ้าเลิกใช้มือถือตั้งแต่วันนี้ไปแล้วคนจะมีรุ่นใหม่มากี่รุ่นคุณจะไปซื้อเปล่าซื้อมาวางไว้เฉยๆซื้อมาทำไมใช่ไหมร่างกายนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามานั่งสมาธิก็เหมือนกับว่าเราไม่เอาไปใช้มันละปล่อยให้มันนั่งเฉยๆงั้นต่อให้มีกี่ร่างเราก็ไม่อยากได้ลเพราะมีร่างกายมันมีภาระไหมละ่ะ ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันใช่ไหมต้องหากินต้องเลี้ยงมันเป็นมันเหมือนเหมือนลูกเราเราต้องอาบน้ำให้มันหรือเปล่าต้องแปรงฟันให้มันหรือเปล่าต้องหวีผ้าหวีผมให้มันหรือเป่าทาอะไรทุกอย่างให้กับร่างกายและเพื่อที่จะเอาไปใช้หาความสุขต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีความสุขที่ได้จากความสงบ ใจเราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วก็ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายร่างกายจะตายจะเป็นอะไรไปเราก็จะไม่ทุกข์เหมือนกับมือถือถ้าเราไม่ใช้มันแล้วมันหายไปเราจะทุกขนะ์ไหเรากับดีเี่ไม่ต้องไปคอยชาร์จแบตใช่ไหมถ้ายังมีอยู่ถ้ายังไม่ใช้มันก็ยังต้องคอยชาร์จแบตอยู่ทิ้งไว้เดี๋ยวมันแบตหมดก็ต้องชาร์จอยู่ก็เหมือนกันร่างกายนี้ ถ้ายังมีอยู่ถึงแม้เราไม่ใช้มันเราก็ยังต้องเลี้ยงมันดูต้องหาห า, หาให้มันกินหาหน้ามาให้มันดืม่มแต่ถ้าไม่มีร่างกายแล้วสบายกว่าใจเราไม่ได้ตายใจเราไม่ได้หายไปไหนจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจของเราอยู่อีกที่หนึ่งไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ในโลกทิพย์เนะี่ยร่างกายนี้อยู่ในโลกกฐาฏ โลกที่เราอยู่นี้เรียกว่าโลกรธาตุโลกของดินน้ำลมไฟธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไฟมันมาผสมปรุงแต่งทำให้เกิดร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วใจเราก็ส่งกระแสจิตเหมือนส่งกระแสโทรศัพท์มาเกาะมันเหมือนเอาสายมาติดเวลาเราอยากจะใช้หูฟังเราทางไงเราก็เอาสายมาเสียบที่เครื่องโทรศัพท์ใช่ไเพื่อเราจะได้ไม่ต้อง ไม่ต้องถือโทรศัพท์เราสามารถมีหูฟังเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าก็ได้เนี่ยใจเราก็เหมือนกันใจเราก็ส่งกระแสมารับรูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาหูจมูกนิ้งกายแต่ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเวลาร่างกายตายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาใครมาระเบิดร่างกายให้เป็นเสียงไปนี้ ใจก็ไม่ได้ระเบิดไปกับร่างกายใจอยู่กัมเราโลกกันอยู่โลกทิพย์เหมือนเวลาเรานอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับนี่ใจก็ทิ้งร่างกายไว้ชั่วคราวเนี่ยไม่ได้ใช้ร่างกายแต่ใจยังท่องเที่ยวอยู่ในโลกทิพย์อยู่เนี่ยยังฝันอยู่ใช่ไมฝันว่าไปนู่นไปนี่เห็นนู่นเห็นนี่ได้ดมกลิ่นลิ่มรสเหมือนกับได้ใช้ร่างกายไมแต่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็สามารถมีความสุขได้ เนี่ยคือความสุขของผู้ที่ไม่มีร่างกายยังสามารถมีความสุขได้เหมือนกับตอนที่มีร่างกายแต่ดีกว่าไม่ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนตอนเกิดตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเราจะฝันกันฝันดีหรือฝันร้ายฝันดีก็เพราะบุญทำให้เราฝันดีฝันร้ายก็เพราะบาปที่เราทาทาให้เราฝันร้าย พอเวลาไม่มีร่างกายตายไปนี้มันก็จะฝันดีฝันร้ายไปยาวเลยจกนกว่ามันจะมันจะหมดแรงพอหมดแรงมันก็จะได้กลับมามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ร่างกายมาตื่นขึ้นมาเวลาคลอดออกมาจากท้องแม่พอลืมตานี้ก็ตื่นขึ้นมาแล้วเเวลาที่เราตายจากร่างกายนี้ก็เหมือนกับเรานอนหลับไป แต่นอนยาวนอนแล้วก็เวลาตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้ร่างกายอันเก่าแล้วได้ร่างกายอันใหม่ไม่ไม่เหมือนกับตอนที่เรานอนคืนนี้คืนนี้เรานอนหลับเราก็ตายไปเหมือนกันแต่พอเราตื่นขึ้นมาเรายังไม่ได้ร่างกายอันใหม่ยังได้ของเก่าอยู่เพราะว่ามันนอนเดียวเดียวนอนแค่เจ็ดแปดชั่วโมงก็ยังตื่นอยู่เพราะร่างกายอันเก่ามันยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้ตายไปนี้พอตื่นขึ้นมามันจะไม่ได้ร่างกายอัน อันเก่าแล้วมันจะได้ร่างกายอันหม่เวลาที่ออกมาจากท้องแม่เนี่ยเหมือนกเติ่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมลืมตาแล้วเวลาอยู่ในท้องแม่มองอะไรไม่เห็นหลับตาอยู่ในท้องอยู่ในถ้ำมันอยู่ในถ้ำมันนอนหลับลพอคลอดออกมาจากท้องแม่ปั๊บก็ลืมตาขึ้นมาร้องทีนี้ต้องหายใจเองนะต้องหาอะไรกินเองแลนะ เวลาหิวก็ต้องร้องบอกแม่และหิวเวลาอยจะถ่ายก็ร้องบอกแม่ว่าอยากจะถ่ายแล้วแต่เวลาอยู่ในท้องแม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเก็บนมมีสายสายเลี้ยงให้สายสะดือนี่ที่ส่งอาหารให้ร่างกายแล้วก็รับอของที่จะต้องถ่ายออกไปอยู่ในสายสะดือนี่แหละแต่พอคลอดออกมาแล้วสายสะดือก็ทํางานไม่ได้และ้ะ ทีต้องถ่ายเองต้องกินเองนี่คือเรื่องของร่างกายที่เราได้รับมาจากพ่อแม่ให้เราคิดอย่างนี้ให้คิดว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราอย่าไปกลัวความแก่ความเจ็บความตายเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่มีร่างกายเราเป็นตัวรู้ตัวคิดเวลาเรานอนหลับนี่เรา ไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายใช่ฝันว่าไปเมืองนอกเมืองนาฝันว่าไปนรกฝันว่าไปสวรรค์กันใจมันฝันมันใช่ความคิดพาไปงนั้นพยายามทำความดีไว้แล้วมันจะฝันดีคนที่ทำบนนี้ท่านบอกว่านอนหลับจะไม่ฝันร้ายจะฝันดีแล้วเวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขเวลา จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะจะไม่มีใครเกลียดเราถ้าเราทําแต่ความดีไม่ทําให้ใครเขาโกรธเกลียดเรามีใครก็อยากจะคิดฆ่าเราบ้างไม่มีหรอกแม้แต่ขโมยถ้ามันจะมาป้นมาที่ก็ให้มันเอาไปมันอยากจะได้อะไรให้มันไปมันไม่ต้องการชีวิตเราหรอกชีวิตเราไม่มีค่าอะไรสําหรับมันมันต้องการโทรศัพท์มือถือต้องการแหวนเพชรเราเท่านั้นน่ะมันอยากจะได้ให้มันไปคิดว่าทําบุญไป ล้วรับรองได้ไม่มีวันตายที่ตายก็เพราะห่วงห่วงแล้วก็ไปต่อสู้กับเขา <spe ak> เขาก็ตกใจเขาก็กลัวจะมาทำร้ายเขาก็อะจะทำร้ายเราแต่คนที่มีคนทำความดีจะไม่คิดทาร้ายใครใครอยากจะได้อะไรก็ออกไปคิดว่าเป็นการทำบุญไปดีไม่ต้องมาวัดมีคนมารับของที่วัดมาของรับที่บ้านเลยไม่ต้องเหนือ่อย นี่มานั้นต้องเดินทางมาวัดเนี่ยเสียเวลากี่ชั่วโมงต้องเอาเงินเอาข้าวของมาถวายพระถ้าเกิดมีขโมยขึ้นบ้านก็ยกให้มันไปเลยมันก็หุนมันก็ทำบุญเหมือนกันแหละใช่ไหมอ่บุญอยู่ที่ใจเราของชิ้นเดียวกันเนี่ยถ้าเราเสียด้วยความยินดีมันก็เป็นบุญถ้าเสียด้วยความไม่ยินดีนก็ไม่เป็นบุญละเสียใจร้องห่มร้องไห้เสียดายของเงินเดียวกันเนี่ย mm. เงินทอง ชิ้นเดียวกันเนี่ยเวลาเสียด้วยความยินดีกับมีความสุขนะถ้าเวลาเสียด้วยความไม่ยินดีกับกลายเป็นความทุกข์เราต้องดูร่างกายเราเหมือนกับเงินทองเรารักเงินทองอย่างไงเราก็รักร่างกายอย่างนั้นถ้าเราอยากจะเสียร่างกายอย่างมีความสุข <c oughs> ก็คิดว่าเป็นการทําบุญก็แล้วกันอยอมตายพระพุทธเจ้าบอกว่าให้สละชีวิตเพื่อรักษาเพื่อรักษาบุญรักษาธรรม ถ้าเรายินดีสละชีวิตนี้เราจะได้บุญมันจะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมามันจะเป็นความสุขถ้าเราไม่ยอมเสียเวลาตายนี่เราจะทุกข์มากเหมือนกับข้าวของเงินทองเนี่ยถ้าเงินที่จะมาทําบุญวันนี้เกิดหายไปนี่เราจะรู้สึกยังไงเสียดายไหมเสียใจไหแต่ตอนนี้ไม่ได้หายไปตอนนี้ได้มาทาบุญดีใจไหมมีความสุขไห มันก็เงินก้อนเดียวกันใช่ไหมต่างกันที่ใจเราเท่านั้นแหะต่างตรงที่ใจเรายินดีหรือไม่ยินดีปล่อยหรือไม่ปล่อยถ้ามาทําบุญแล้วไม่ปล่อยก็ยังไม่ไม่สุขนะทําบุญแล้วก็หวังว่าหลวงพ่อจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้อีกเดี๋ยวหลวงพ่อไม่ใช้ก็ทุกข์ขึ้นมาอีกนี่เรียทําทบุญแบบไม่ปล่อยนะเวลาทําบุญเราต้องปล่อยอย่าไปสนใจเวลาให้เขาไปแล้วก็จะเอาไปทําอะไรหรือไม่ทําอะไรไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว ถ้าไปคอยดูไปคอยเฝ้าเดี๋ยวเกิดเข้าไม่เอาไปใช้เราก็จะเสียใจเอาไปให้คนที่เราเปียดยิ่งเสียใจใหญ่เลยนะถ้าเราอยากจะทำบุญให้ไปเลยปล่อยไปเลยแล้วอย่าไปสนใจคิดว่าไม่ได้เป็นของของเราแล้วเป็นของเขาแล้วคนรับเขาจะไปทำะไรนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกับเงินที่เรามาทำบุญนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราเราจะามาทาบุญก็ได้เราจะาไปซื้อกระเป๋าก็ได้นะอันนี้ เป็นสิทธิ์ของเราเงินที่เราให้คนอื่นของที่เราใ้คนอื่นก็เป็นสิทธ์ของคนที่เข้ารับแล้วถ้าเราอยากจะได้บุญอยากจะได้ความสุขเราอ ย, าอยาอ่าไปอย่าไปอย่าไปจ้องไปตามดูว่าเขาเอาไปทำอะไรถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วร่างกายก็เหมือนกันปล่อยมันมันถึงเวลาจะไปก็ให้มันไปคิดว่าเป็นการทำบุญก็แล้วกัน บริจาคให้กับสับปเหร่อไปก็ได้บริจาคให้กับวัดไปวัดจะได้มีรายได้มีคนมาสวดศพมีคนมาทำบุญถ้าเราไม่ตายก็ไม่มีคนมาทำบุญในชะ่วัดที่เขามีสาราสาราศพบนี่ถ้าไม่มีศพก็ไม่มีใครมาทำบุญที่วัดคิดแบบให้มันเป็นมงคลคิดแล้วทำให้เรามีความสุขเราตายแล้วยังทำประโยชน์ได้ร่างกายเรายังเป็นประโยชน์ได้ ยังมีคนมาทำบุญนะคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ตายอย่างสบายแล้วถ้าเราไม่อยากจะกลับมาตายใหม่ก็มานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันให้ใจอิ่มใจอิ่มเราจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสถ้าไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำ ก็คือมาฝึกสติกันเพราะสติจะทำให้ใจเราสงบได้ถ้าไม่มีสติจะควบคุมความคิดไม่ได้ถ้าควบคุมความคิดหยุดความคิดไม่ได้จิตก็จะไม่สงบจิตจะสงบต้องมีพุทโธมีสตินั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรเดี๋ยวมันก็สงบแต่ก่อนจะนั่งพุทโธได้ น, นี่ต้องฝึกพุทโธมาก่อนถ้าไม่เคยฝึกพุทโธเวลานั่งมันไม่พุทโธหรอก นั่งปั๊บพุทโธได้สองคำมันก็คิดต่อมันเคยคิดมันเคยทาอะไรมันจะมันมันจะทำตามที่มันเคยทํามาเนี่ยเราต้องหัดทําหัดหยุดความคิดหัดพุทโธกันก่อนเราสามารถหัดพุทโธได้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความคิดอะไรแล้วก็พุทโธไปอาบน้ำอาบท่ากับพุทโธไปล้างหน้าแปรงฟันกับพุทโธไปหวีผ้าวีผมก็พุทโธไปทำไมเวลาอาบน้ําร้องเพลงได้嘛 ทำไมพุโทโธไม่ได้มันก็เหมือนกันมันก็เป็นความคิดเหมือนกันเอาพุโทโธดีกว่าแล้วใจจะไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรมันก็จะสงบมันก็จะสบายถ้าคิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลห่วงใยอะไรต่างๆขึ้นมาอีกเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาความคิดเราเนี่ยเป็นตัวผลิตอารมณ์ผลิตความอยากเป็นเหมือนกับตัวผลิต ความร้อนเครื่องทำความร้อนยิ่งคิดใจยิ่งร้อนใช่ไหมถ้าหยุดคิดแล้วใจจะเย็นจะสบายเวลานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งสงบมีความสุขแย้วมหัด ส, สร้างสติกันมหัดพุทโธกันพุทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพุทโธพุทโธไป ถ้าจะคิดอะไรจำเป็น้อหยุดพุโทโธแล้วก็คิดเช่นเวลาทำงานต้องบวกลบคูณหารต้องวางแผนต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานก็หยุดหยุดพุโทโธไว้แล้วก็มาคิดกับเรื่องงานคิดเสร็จแล้วไม่ต้องคิดอะไรก็พุโทโธต่ออย่าไปคิดอยากจะไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้ถ้าคิดแบบนี้แล้วมันจะทาให้เราเกิดความรู้สึก คิวโหยขึ้นมาทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขพออยากจะได้อะไรก็ต้องไปหามาแล้ว <c oughs> นี่แหละคือปัญหาของพวกเราเราหยุดความคิดไม่เป็นหรือควบคุมความคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นถ้าจะคิดให้มันคิดไปในทางที่ทำให้เราหยุดความอยากสิคิดว่าอยากจะได้อะไรก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปใช่ไม หรือไม่ใช่นั้นเราก็ต้องจากเขาไปเวลาจากกันมันดีไหมไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปถาวรตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างได้มานี้เป็นของชั่วคราวร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแฟนเพิ่อนสามีภรรยาก็เป็นของชั่วคราวลูกเต้าหลานเลดก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการจากกันเวลาจากกันไม่เห็นมีใคร หัวลอกกันเลยมีแต่ร้องไห้กันนะแต่เวลาได้มาดีใจกันหัวราะกันไม่มองถึงเวลาจากกันได้มาแล้วมันต้องจากกันถ้าไม่อยากจะจากกันก็อย่าไปได้อย่าไปมีถ้าไม่มีแล้วก็จะไม่มีวันจากกันนะให้คิดแบบนี้ถ้าจะคิดถ้าคิดแบบนี้แล้วมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ นี่คือปัญหาของพวกเราหยุดความอยากไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้แล้วก็คิดไปในทางที่จะทําให้เราไม่อยากไม่ได้ชอบคิดไปในทางความอยากเห็นอะไรว่าโอ้ดีได้มาแล้วจะมีความสุขกันทั้งนั้นใช่ไหมแล้วได้มาจริงๆแล้วมันสุขไหมได้แฟนมามันสุขแก่คิดมันมันสุขกี่วันเคยเคยจดบันทีไหมเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะ ก, กันล้วเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องมีราวกันล้ว ได้อะไรมาเดี๋ยวของมันก็ต้องเสียใช่ไหยได้โทรศัพท์มาใช้ไปสักพักอ้าวเสียแล้วเสียแล้วสุขไหมลนะ่ะเสียแล้วก็เดือดร้อนนะหุ่นวายแล้วนี่แหละเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความเสื่อมของสิ่งต่างๆเราคิดว่าได้มันมาแล้วมันจะดีเหมือนวันแรกที่เราได้มามันไม่เป็นอย่างนั้นอนะ่ะมันดีเพียงวันแรกเท่านั้นมะันต่อๆไปมันก็เริ่มไม่ดีแล้ว ให้มองอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะไม่อยากได้อะไรเอาความสงบดีกว่าความสงบนี้ไม่มีวันเสื่อมเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ตลอดเวลาจนสามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลาแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหาอะไรมาทำให้เรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขในตัวเราแล้วพอไม่เดือดร้อนจะมีอะไรไม่มีอะไรไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ไม่เดือดร้อน จะมีความสุขแบบพระพุทธเจ้าแบบพระสาวกทั้งหลายท่านมีความสุขแบบนี้นี่คือวิธีที่ท่านหาความสุขกันแล้วท่านก็เอามาสอนพวกเราถ้าพวกเราปฏิบัติตามได้เราก็จะได้ความสุขแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าพวกเราทําได้ถ้าทําไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่มาสอนให้เสียเวลาแต่พวกเรามันขี้เกียจ ก, กันนั่นเองไม่ยอมทําตามที่พทธเจ้าสอนชอบทําตามกิเลสกันชอบทําตามความอยากความโลภ มันก็เลยร้องโหยร้องไห้กันเดือดร้อนกันวุ่นวายกันไม่รู้จักจบจากสิ้นดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าทําตามพระพุทธเจ้าเถิดแล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆแล้วเราจะมีความสุขไปตลอดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้ผ่อน เราไม่ชี้ใครมันจะมาทําร้ายเราก็ปล่อยมันทําร้ายไปทาตัวเป็นตุ๊ ก, กตาไป <c oughs> นอนนิ่งๆฉเฉยๆ <c oughs> เดี๋ยวมันทําเสร็จมันก็ไปเอง <c oughs> เนี่ยดูพักกี้แค่ว่าตายก็ตายอย่าไปต่อสู้อย่าไปเลยรถ้ามันไม่เมา <c oughs> เราละก็งอนหัวล้นๆมันยังมายุ่งอะไรกันแล้วไหมโอมบ่ายเข้าของเราก็ไม่มีบอกให้มันเลื้อ้มันค้นอยากจะได้อลไรออกไปไม่มีอะไรหรอกเชื่อเถอะ ปลอดภัยถ้าเราไม่ไปทำอะไรถ้าเราอยู่เฉยเฉยอย่าไปต่อสู้มันไม่ต้องการอะไรแล้วมันก็ต้องการข้าวของอะไรพวกติดยาเสพติดมันก็อยากจะได้เงินทองงั้นอย่ามีเงินทองที่ไม่มากก็แล้วกันมีไว้สลหรับพอใช้ไปวันวันหนึ่งอย่าไปมีอะไรล่อตาล่อใจคนของมีค่าต้องเก็บเก็บไว้อย่ า, ามาโชว์เอามาอวด เาพักที่วัดยานกันนะมาได้กี่วันแล้วสามสี่วันนะคะวันแล้วเพิ่งรู้ทุ่งมาวันเพิ่งขึ้นมาวันนี้เลยลอ๋อขึ้นมาทุกวันเลยแต่ว่าเพิ่งได้ขึ้นมาบนศาลาวันนี้มอ่ฝนตกอ่าธรรมดาไม่ยอมขึ้นมาเลยกลัวอะไรไม่าเห็นคนนั่งเยอะอก็เลยนั่งน่อืมวันที่ค่ะอ่ากี่วันเดวันเวันนะ มาจากที่ไหนโสตกาค่ะอ่าอยู่อำเภออะไรเเมืองค่ะองลำลก็ทางนั้นก็มีวัดของหลวงพ่อวิยังใช่ไหมอ่าส่วนใหญ่เป็นสที่วัดโสการามวัตาามวัดมงคลก็อยู่ใกล้ๆ่หอืวัดโสนี้เป็นวัดของหลวงพ่อลีค่ะท่านพ่อลีลูกศิษย์หงปู่มั่น ถ้าหนูอยากได้หนังสือซีดีก็หยิบไปนะเอาไปต้องเอาไปอ่านนะอย่าเอาไปทำเป็นหมอนนะไปบ่อยไหมที่วัดโการามไปบ่อยค่ะเดไปทำอะไรบ้างก็ไปปฏิบัติธรรมใหญ่แล้วก็ช่วงเข้าพรรษาจะไปถือเนื้อต่อชีพค่ะอ๋อ ก็อยู่ที่วัดทั้เคืนนีเด้ค่ะพอดีรู้จักกับแม่ชีในวัดนะคะก็ไปพักกับท่านก็ปฏรู่บ้านแม่ชีนี่มีบ้านเยอะไหมเยอะวันกันค่ะเป็นร้อยหมน่าจะถึงเลยค่ะก็มีหายซอยมากแตนก็ไม่ไม่ได้เดินไปซอยอื่นนะคะเพราะว่าอไปจะไปพักกับแม่ชีที่รู้จัก หลงพ่อเลยท่านสงสารพวกญาติโยมผู้หญิงไม่มีที่พักท่านกนเลยสร้างหมู่บ้านให้อยู่กันแล้วกิจกรรมที่วัดอสศนีมีอะไรบ้างเวลาญาติโยมไปไปตอนเช้าเลยไปสายบ่ายช่วงเช้าก็จะมีสายบ่ายช่วงบ่ายบางทีก็มีฟังธรรมในวันฉะนะั้น ก็จะสี่เดืนแล้วก็ข้นสวดให้ท่านพ่อตอนสองท ค, ค่ะนสมาธิถึงสี่ทุกมค่ ะ, ะทุกคืนเนอะเฉพาะกรดเป็นพระทุกคืนค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคนไปใหญ่ก็จะอยู่ในทั้งคืนค่ ะ, ะแล้วมีญาติโยมไปอยู่ทั้งสีทุกมนันแะมีค่ ะ, ะมีมแชีในวดัดแล้วก็มีโยมข้างนอกเยมมีค า, ารวะไมมากไหมคนข้างนอกไปมากไหมก็เยอะค่ะช่วงชงอยู่ในสถิติคนเริ่เยอะขึ้นมากค่ะตอนนี้ แล้วมีหลวงพ่อมาเทศให้ฟังหป่าก็มีเทศทั้งคืนเลยค่ะทุกสองชั่วโมงเทศตลอดทั้งคืนนะคะเนทศสดๆนะใช่ค่ะเทศสดๆท้งมืีมีครูบาอาจารย์ลูกไหนบ้างจำชื่อได้ัหยก็มีพระอาจารย์จุนูมีหลวงพ่อจุนกูยังอยู่เลยค่ะก็ท่านทนช่วงนี้ท่านแดห่อทองชสัสาไป ท่านกลับมาอยู่ที่พระโสร่ท่านอ่ก็จะสับไปมาเหอท่านจะรักษาตามอยู่ค่ะประธานก็เป็นคนสคัญท่านก็จะมาเทศและก็มีอารสมสักันไปก็มีอาจารย์อทจาย์แอที่ท่านเทศเรื่องเกี่ยวกับประวัติของพระเจ้าบก็มีหลายรูปสลับกันเทศกันทั้งหมด ก็ช่วงต้องอยู่ในก็จะสีกนนะะส่กัรเนา ะ, ะสี่การสี่ห้ากค่ะตั้งแต่นถ้าเกิดธรรมดาก็การเดียวค่ะเกินธรรมดาก็แค่ช่วงสองทบางบา ง, บางวันจะไม่มีเทศสดนะคะอืมเดี๋จะเป็นบางจอืมแต่หนูไม่ค่อยได้ไปทุกวันนะคะแต่ช่วงถ้าถ้าไปอยู่ก็ประมาณมเจ็ดกรก็สดนะถ้าไม่เทศสดนี้เปิดเทปเลยห ร, อ, หรอเ ป, ปลา่เาเนอะไมค่ะพสวดมันเสร็จก็นั่งเงียบๆเนียอานังสมาธิไป สงทุ่มสี่ทุ่มมีคนเยอะไหมเยอะเนัค่ะ่งช่วงส่นนั่งสมาธิถึงี่ทุมนะคะสักสักกี่คนค ก, ก็เยอะนะคะบางทีเป็นเป็นิหารเลยช่วงช่วงอย่างอย่างวันวันขัดรือไนนะไรนก็จะมีไปบวชก็อเห ม, มกัน็นิหารก็จะเต็มหมดนั่งด้านล่างอืม มีใครอยากจะถามคำถามอะไรหมวันนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้ววันนี้ YouTube สัญญาณไม่ดีครับตอนนี้เหลืออยู่สองคนนะครับแต่เมื่อตอนช่วงต้นๆมีเชอรัเข้ามาด้วยครับแล้วก็ Facebook ตอนนี้มีอยู่สองรอย้าสิบคนครับมีคำถามเข้ามายังมีแล้วครับถามเลยอยู่ที่บ้านก็ติดตามถ่ายทอดสดได้ ทุกวันบ่ายสองโมงฟังบ้านอาจารย์ทุกวันเลยค่ ะ, ะแล้วฟังย้อนหลังมาได้ดูย้อนหลังก็ได้ปกติจะฟังอยู่ที่บ้านทุกวันเราอยากจะถามปัญหาก็ส่งข้อความเข้ามาได้วันนี้จะตอบคําถามที่ส่งข้อความเข้ามาครับคำถามแรกจากคุณจิรายุทนะครับเวลาผมบริกรรมพุทโธตามลมหายใจแล้วมีอาการอึดอัดแน่นหน้าอกตลอดเลยครับ เป็นเพราะอะไรครับและควรแก้อย่างไรครับอ๋อมันเป็นกิเลส่ะเวลานั่งดูหนังไม่อึดอัดนะนั่งเล่นไพ่ก็ไม่อึดอัดพะมานั่งสมาธิมันจะอืดอัดมันเป็นปฏิกิริยาของกิเลสกิเลสมันไม่ชอบอยู่เฉยๆกิเลสมันชอบทําอะไรชอบดูอะไรชอบฟังอะไรพ อ, อไม่มีอะไรให้มันดูม่อให้มันฟังไม่ค้นติดยาเนี่ย คนติดยาพอมันไม่เสบยามันก็จะเกิดอาการงงแดงนี่ก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิก็นี่ก็เป็นเหมือนอาการงงแดงอาจารย์ไอย่างั้นอย่าไปสนใจต้องอดทนพยายามพุโทโธพุโทโธไปใหม่ๆมันเป็นอย่าง้ันทุกคนมันจะนั่งรู้สึกอิดอาดไปหมดนอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธทางที่ดีอัดพุดโทโธไว้ก่อนมันจะช่วยได้เยอะ หรือถ้านั่งแล้วอึดอัดก็พุทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็สวดอิติปิโสไปสวดไปร้อยจบก็ได้สวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะคลายจะหายเองคำถามต่อไปจากคุณแห ว, วนนะครับผมเตรียมข้าวสวยใส่ถุงพลาสติกแปดถึง้าถุงพร้อมใส่บาท ขณะหยิบข้าวถุงใส่บาตมือไปโดนข้าวถุงอื่นตกพื้นแต่ข้าวก็ยังอยู่ในถุงปกติไม่มีหกกระจายข้าวถุงที่ตกสามารถนํามาใส่บาตได้หรือไม่ครับก็ต้องไปทําความสะอาดก่อนถ้ามันเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินมันก็ไม่ควรจะใส่บาตถ้าเราไปล้างไปเช็ดให้มันสะอาดหรือเปลี่ยนเปลี่ยนถุงใหม่ก็ยังเอามาใส่บาตได้ถ้าของไม่สกปรกแล้วไปรวมกับอาหารมันก็ทําให้อาหารอื่นสกปรกด้วย เห็นถ้าของมันตกกระเพื่อนก็อย่าอย่าไปใส่วันนั้นหรือจะถ้าจะใส่ก็ไปเปลี่ยนถุงใหม่หรือบางทียาโยมบางคนเขาจะตัดบาดเขาเอาทับพีมาบางทีเวลาถือมาทับพีหล่นนี้ยเขาก็ต้อเอาทับพีไปล้างก่อนแล้วค่อยมาตัดถ้ามันหล่นแล้วมันเทวันเปื่อนนะแล้วถ้าไปไปตัดข้าวมันก็ทําให้ข้าวเปื่อนด้วยคำถามต่อไปจากคุณพัชราครับ กรณีคนถูกฆ่าชิงทรัพย์แล้วยากคิดว่าเป็นกรรมเก่าที่ผู้ตายเคยไปทำไว้หมดกรรมต่อกันแล้วได้ไหมคะได้ทีนี้ก็จะดีจะไม่ต้องไปจองเวรจองกรรมกันไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดกันคิดว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมกันไปไม่ต้องไปตอบโต้อนีนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการจองเวรกันพอก็ทำเราเราไปทำเขาเดี๋ยวเ้ากลับมาทาเราอีกมันก็จะไม่มีวันจบสิ้น ยิ่ง ใ, ใครก็าทำอะไรเราคิดว่าเป็นการใช้กรรมไปก็แล้วกันเราอาจจะจาไม่ได้แต่เขาจําเราได้เวลาเราทำร้ายใครเราก็เรเรามักจะลืมกนะันแต่เขาไม่ลืมเนี่ยเวลาใครก็มาทำร้ายเราเราไม่ค่อยลืมเลยใช่ไหมในในเขาจำเราได้แม้อาจจะทํามาจากชาติก่อนนะเขาไม่ได้จําหน้าจําตาเราเหรอกเขาจําเสียงเขาจําวิธีพูดเขาจํากิริยาการของเราอันนี้ไม่เปลี่ยนนะ เปลี่ยนร่างกายก็เป็นเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้าท่านั้นเองแต่กิริยาการต่างๆที่เรามีอยู่นี่เป็นเหมือนเดิมเคยพูดอะไรนี่ก็พูดเหมือนเดิมอย่างคนนี่จะแก่ขนาดไหนพอฟังเสียงนี่จะรู้เลยว่าคนนี้เป็นใครแต่ถ้าเห็นหน้าเห็นตาอาจจะจาไม่ได้เช่นเคยรู้จักกันมาตอนเป็นเด็กๆแล้วสี่ห้าสิบปีมาเจอกันนี่เห็นหน้าเห็นตาเขาบอกเขาเป็นนู่นเป็นนี่นึกอไก็นึกไม่ออกว่าเป็นเขา แต่พอได้ยินเสียงก็พูดออกจำได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเจอใครก็ไม่ชอบเราก็เกลียดเราโกรธเราก็แสดงว่าเราเป็นคู่กรรมกันมาเราเคยไปทําอะไรกันไม่ดีกันมาถ้าเราเจอใครแล้วชอบกันก็แสดงเป็นคู่บุญกันมาเคยไปร่วมบุญเคยไปทําอะไรด้วยร่วมกันมาเะฉั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรที่ ทำให้เราเสียหายเราก็ให้อภัยเขาไปคิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปก็แล้วกันแล้วก็พยายามป้องกันตัวเราถ้าเขาจะมาทำอีกเราก็หลบได้ก็หล บ, ห ล, บหลีกได้ก็หลีกหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็คิดว่ากรรมยังไม่หมดก็แล้วกันถ้ากรรมหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็ไม่มายุ่งกับเราอีกแล้วอย่าไปก่อเวรใหม่อย่าไปตอบโต้เดี๋ยวมันจะไม่มีวันจบ คำถามต่อไปจากคุณออยลี่นะครับบูชาพระปริยะทุกวันบูชาพระปิยะทุกวันพระด้วยผลไม้หมากพลูดอกไม้สดถ้าจะไม่บูชาได้ไหมคะได้อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควร บ, บูชาเพราะพระท่านกินไม่ได้หรอกของพวกนีถ้ถ้าบูชาก็บูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะบูชาหรือถ้าจะบูชาให้ดีกว่าก็ให้ปฏิบัติบูบบชา ให้ทำความดีและการกระทํำบาปอันนี้เป็นวิธีบูชาผู้ที่เป็นผู้ที่เจนกูบาจารย์หรือบิดามารดาหรือพระสงฆ์องค์เจ้าเทวดาทั้งหลายให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะท่านไม่ต้องการลาจากเราท่านต้องการให้เราได้ทําความดีกันนิ่งถ้าเราทําความดีก็ถือว่าเราได้บูชาท่านลนะ คำถามต่อไปจากคุณลุชนาศดครับเด็กๆควรจะนั่งสมาธิวันละกี่นาทีคะตอนนี้ให้นั่งพุโทโธวันละหนาทีหลานสองคนอายุ7และ9ปีคะ่ะ เ, เด็กๆยังไม่ต้องสนใจเรื่องสมาธิหรอกควรจะสอนเด็กให้รู้จักสัมมาคารวะด้วยกาให้รู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักบุญคุณพ่อแม่บิดามารดาปุยญาตายายออมีสัมมาคารวะมีคอ ความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มีรู้จักการเสียเสียสละแบ่งปันให้เขาทาบุญให้เขารู้จักศีลก่อนทาทานทำศีลก่อนแล้วค่อยไปภาวนาภาวนานี่เด็กไม่รู้เรื่องหรอกนั่งไปเขาก็ไม่รู้เรื่องอเขานั่งเราทำไมเวลานั่งเราก็ไม่รู้เขาพุดโธอยู่หรือเปล่าก็าไม่รู้ใช่หแต่จะให้เขานั่งก็ได้แต่มันควรจะสอนอย่างอื่นด้วยอย่าเอาเน้นที่สมาธินะ ควรจะเน้นเรื่องคุณธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยต้องสำคัญสอนนั่นแต่เด็กนั้นดีให้รู้จักกราบรู้จักไหว้เจอพ่อแม่เจอพี่น้องเจอผู้ใหญ่ให้รู้จักกราบจกากไหว้เวลาเขาให้ของเราให้รู้จักยกมือขอบคุณอะไรอย่างนี้ให้รู้จักบุญรู้จักคุณของผู้อื่นและก็ให้รู้จักเสียสละแบ่งปัน มีอะไรก็ให้คนอื่นบ้างอย่าเอาแต่ได้เพียงคนเดียวถ้าถ้าจะแย่งกันก็ให้เสียสละให้คนที่คนอื่นก็อยากได้ไปสอนเรื่องนี้ดีกว่ามันสำคัญกว่าเรื่องสมาธินี่ให้เขาโตก่อนให้เข า, เ, าเห็นความสำคัญก่อนว่านั่งสมาธิเพื่ออะไรเราค่อยนั่งแต่จะสอนไปพร้อมๆกันก็ได้ไม่ห้ามสอนให้เขาทำหลายอย่าง สอให้เขารักษาศีลไม่โกหกต้อไม่ให้ขโมยของไม่ให้ไปตบยุงไปตีมดไปฆ่ามดมแมลงอะไรต่างๆอันนี้สอนพวกนี้ด้วยสมาธินี้มันมันยังไม่มีความสำคัญเท่ากับเรื่องคุณธรรมเพราะว่าถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วเล็กจะเป็นคนเสียได้เป็นคนไม่ดีได้ คำถามต่อไปจากคุณจินดาครับใจที่ไม่มีกิเลสนั้นเป็นอย่างไรครับก็ไม่โลภเนี่ยเป็นยังไงเห็นอะไรก็ไม่อยากได้ใครด่าก็ไม่โกรธไม่หลงก็คือไม่ยึดไม่ติดของต่างๆที่ไม่อยู่ว่าเป็นของเราภรรยาเราสามีเราก็ไม่ถือว่าเป็นของเราเขาจะไปเมื่อไหร่คนเก็จะไปนอนกับใครก็เรื่องของเขาเย่างว่าไม่หลง เรามักจะหลงว่าเป็นของเรากันใช่ไหมอ๋อเป็นแฟนเรานี่โอใครแตะไม่ได้เลยเวลาไม่เป็นแฟนเราใครไปแตะเราไม่สนใจเวลาหลงเวลาโลภเวลาโกรธนี่มันทุกข์เวลาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่มันสบายถ้ามองทุกอย่างว่าเป็นของเรานี่สบายของหายก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมไม่ใช่ของเราก็ใครเอาไปก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าของถ้ามันเป็นของเรามันก็จะอยู่กับเราไปเองล่ะ ถ้ามันไม่อยู่กับเราก็แสดงว่าไม่ใช่ของเราใช่ไหมถ้าแฟนก็จะไปอยู่กับคนอื่นก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นของเรานี่คือไม่หลงให้มองว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราให้มองว่าทุกอย่างเป็นทุกข์มีแล้วทุกข์ไหมมีแล้วทุกข์กับมีแฟนแล้วทุกข์กับแฟนหรือเปล่ามีลูกก็ทุกข์กับลูกหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมนี่ของ่ายๆมองไม่เห็น ความหลงมันหลอกให้เราเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีสุขจะมีความสุขมีลูกแล้วจะมีความสุขที่ไหนได้พอมีแฟนก็มาทะเลาะกันนะมาห่วงใหยกันมามาโกรธมาเกลียดกันนะมีลูกก็เหมือนกันมีอะไรก็เหมือนกันนี่คือความหลงเป็นหลงเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันหลงว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรา หลงว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเที่ยงแท้แน่นอนใช้ร่างกายของเรานี้จะไม่ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมแก่ไหมไม่แก่ใช่ไหมเจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหมตายไหมไม่ตายใช่ไหมถ้าไม่หลงมันก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายที่มันกลัวแสดงว่ามันหลงหลงคิดว่ามันจะไม่แก่หลงคิดว่ามันจะไม่เจ็บหลงคิดว่ามันจะไม่ตายกัน พอมันแกมันเจ็บมันตายขึ้นมาก็ตกใจกันกลัวกันขึ้นมานี่คือความโลภความโกรธความหลงคํถาถามต่อไปจากคุณอนันต์ครับแล้วจิตยังฟุ้งซ่านต้องแก้ยังไงครับก็ต้องใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่งเช่นบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปทั้งวันแล้วมันจะหายฟุ้งซ่านคํถาถามต่อไปจากคุณแหวนนะครับความไม่รู้ในาศาสนาพุทธหมายถึงไม่รู้อะไรครับ ก็ไม่รู้คาสอนของพระพุทธเจ้าไงไม่รู้ว่าโรคกรดหลงนี่มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่รู้ว่าทำบาปแล้วยังต้องไปรับผลบาปไม่รู้ว่าทำบุญแล้วจะได้ไปรับผลบุญนี่คือสิ่งที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาเรียนจากพระพุทธศาสนาเราก็จะคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา พอร่างกายตายไปก็จบใช่ไหมไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปือต่อไปไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายคำถามต่อไปจะคุณอยู่กับปัจจุบันนะครับนั่งสมาธิแล้วไม่ได้ยินอะไรไม่ได้หลับลูกมาเรียกจนต้องจนต้องเขย่าตัวถึงรู้สึกเกิดจากอะไรคะก็มัน มันก็มีสองอย่างถ้ามันเข้าไปในสมาธิลึกๆก็มันก็ไม่ได้ยินเสียงเลยหรือไม่ฉะนั้นมันก็หลับมันก็มีสองอย่างที่มันจะเป็นอย่างไหนเราก็ไม่รู้แหละถ้ามันเป็นอย่างสมาธินี่มันจะเป็นของตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจเพราะมันจะเป็นของแปลกใหม่ที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนแต่ถ้าเท่าที่ฟังนี่รู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นไม่หัศจรรย์ใจเลยก็คิดว่าหลับจะมากกว่า ถ้าคนเจอสมาธิจริงๆนี่โอ้โหเขาจะโอ้โหเขบอโอ้โหไม่เคยเจออะไรนี้มาก่อนเลยคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสุรศิษฐ์ครับเวลานั่งสมาธิบางครั้งเหมือนไม่มีอะไรมีแต่แสงโล่งๆก็นั่นแหละนั่งแบบไม่มีสมาไม่มีสตินั่งปล่อยให้ใจมันเแล้วแต่มันจะผลิดอะไรขึ้นมานั่งเฉย ถ้านั่งด้วยสติมีพุทธโธแล้วมีลมมันจะนิ่งจะสงบจะว่างจะไม่มีอะไรจะมีความสุขอย่างยิ่งถ้านั่งแล้วเฉยๆไม่มีอะไรก็เหมือนนั่งตอนนี้ต้องนั่งหลับตาเฉยๆเลยก็ไม่เห็นมีอะไรอันนี้นไม่ได้นั่งสมาธิแล้วนั่งเฉยๆนั่งสมาธิมันต้องมีสติกำกับใจก็กุคมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันสบาย ให้มันมหาสารใจคำถามต่อไปจากคุณนวลมณีความโกรธเวลาเราจะวางมันยากมากค่ะเราควรทําอย่างไรดีคะให้ลดละความโกรธได้ต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากไนงะอยากให้ก็ทําอย่างนั้นพอก็ไม่ทําให้เราเราก็โกรธใช่ไหมอยากขอยืมอยากจะยืมเงินเขาก็าไม่ให้ยืมเงินเราก็โกรธเขาใช่ไหมก็ อ, อย่าไปอยากสิอย่าไปอยากยืมเงินเขาเราก็ยังไม่โกรธเขา อย่าไปอยากให้เขาดีกับเราเราก็จะไม่โกรธเขาความอยากมันทำให้เราโกรธถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่โกรธใครการลนละความอยากสให้ยินดีตามมีตามเกิดเหมือนพระไปบิณฑบาตเนี่ยไม่โกรธญาติโยมหรอกญาติโยมจะใส่ไม่ใส่เพราะไม่มีความอยากจะได้อะไรจากญาติโยมเดินไปแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ความเมตตาของญาติโยมญาติโยมเนี่ยมีศรัทธาอยากจะสงเคราะห์ อยากจะใส่ก็ใส่ไปใส่อะไรก็ไม่โกรธไม่เสียใจเพราะไม่ได้หวังอะไรจากของที่ญาติโยมใส่ให้ถ้าเราไปหวังพอเขาไม่ใส่ตามของที่เราหวังแลเราก็เสียใจใช่ไหมเช่นวันเกิดนี้หวังได้ iPhone เครื่องใหม่แล้วก็ซื้อซื้อยี่ห้ออะไรไม่รู้ของมึงจีดมาให้้ก็เดี๋ยวก็เสียใจแลโกรธเขาละเธวเห็นฉันเป็นยังไง้าไม่มีคุณค่าราคาแล้วไงเออนยนะ ถ้าอยากจะไม่โกรธต้องต้องหัดความสันโดษเรื่อมากน้อยอยากได้น้อยๆยพอเขาให้เรามากเราก็จะดีใจแล้วแต่ถ้าอยากได้มากๆากพอเขาให้เราน้อยก็จะเสียใจจะโกรธเราพระพุทธเจ้าบอกให้หัดมีนิสัยมักน้อยสันโดษเราจะไม่โกรธใครยินดีตามมีตา ม, ม, ตามเกิดคำถามต่อไปจากคุณสป i ริตครับ พอเราตายไปก็เหลือแต่ร่างกายที่เป็นเศษซากทาไมพวกหมอผีหรือคนที่มีวิชาทางสัญญาศาสตร์ถึงเอาเศษซาก ร, ร่างกายเอามาทำของแล้วเรียกวิญญาณมาทำเป็นของขลังทางสัญญาศาสตร์ได้หรอครับไม่ได้หรอกเขาก็ทำไปตามความเชื่อของเขาวิญญาณมันก็ไปตามบุญตามบาปที่ทไนะาไปแล้วคำถามต่อไปจากคุณเล็กครับ อยากให้พระอาจารย์อธิบายคําว่าจิตประภัดสอนค่ะประภัดสอนก็สว่างสวยัยเลยถ้าจิตปฏิบัติสูงไปเรื่อยๆกิเลสมันน้อยลงไปเรื่อยๆจิตมันจะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงจิตที่ละเอียดสุดนี่มันจะสว่างสวัยก็เรียกจิตประภัดสอนแต่ยังยังกิเลยังไม่หมดตัวที่ทําให้ประภัดสอ น, นี่กลายเป็นตัวกิเลสขึ้นมาโดยเราไม่รู้สึกตัว แล้วเราก็ไปยึดติดกับไว้ตัวประพัดสอนนี่เห็นว่ามันสว่างสวัยมันหน้ามันน่าพิศวงหน้าหน้ารักหน้าเอ็นดูแต่มันก็เป็นกิเลสโดยที่เราไม่รู้ตัวจิตประพัดสอนถ้าผูตา้ตามหลักของการปฏิบัติก็คือจิตเอาวิชาเนี่ยตอนนั้นกิเลสตัวอื่นนี้ถูกสติปัญญาฆ่าเป็นหมดแล้วเหลือแต่หัวหน้าตัวเดียวหรืออาวิชาตัวเดียว แต่พอไปเจอไปเจอตัววิชานี่มันจะสว่างสวัยเหมือนกับว่ามันเป็นดวงอาทิตย์เลยอันนี้เรียกวจิตประพัฒสอนคำถามต่อไปจากคุณอนิจจังเรียนถามค่ะเวลาลูกนั่งสมาธิบางครั้งจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อใบหน้าจะมีแรงดึงไปมาบนบนบ้างซ้ายขวาลูกก็สักแต่ว่ารู้จะเป็นอยู่นานจนสุดท้ายมันนิ่ง แต่บางครั้งไม่มีอาการอะไรเป็นเพราะอะไรคะหรือว่าเป็นอนิจจังเออนั่นแหละเป็นอนิจจังอ่ะดีที่สุดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะเป็นอะไรก็ช่างมันให้รู้แล้วปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับมันเวลานั่งสมาธิเราต้องการปล่อยวางทุกอย่างให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวก็พอคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณจิรพัฒในขณะเลือกซื้อของทาบุญถวายพระ เรามักเลือกสิ่งที่ดีมาถวายด้วยใจที่เต็มใจแต่บางครั้งประยิบมีราคาสูงเกิดความรู้สึกแพงเสียดายเงินแต่อีกใจก็คิดว่ายิ่งคิดแบบนี้ยิ่งต้องฝืนใจซื้อเพื่อละความเสียดายแต่ใจก็ไม่เบิกบานคำถามคือเราควรซื้อของถวายด้วยจิตตั้งใจเต็มที่เท่าที่ใจเบิกบานไม่เสียดายหรือควรฝืนใจเสียดายก็ไม่ควรสนใจ แบบไหนคือการตั้งจิตที่ถูกถูกต้องครับคือถ้าเราจะทำบุญเราก็อย่าไปเสียดายเราก็กําหนดเงินที่เราจะทำล้วก็ซื้อของไปจะดีไม่ดีก็แล้วแต่ความเหมาะสมก็แล้วกันความจริงถวายของพระ ก, ก็ไม่ต้องดีหรอกไม่ต้องซื้อของบริสาเซมาสวายหรอกคือซื้อของมันใช้ได้แต่ก็่าไปซื้อแบบมันตาไรคุณภาพก็อย่าไปซื้อ เช่นของที่เขาใส่ในสังฆทานก็แปลงสังฆทานที่อย่าไปซื้อของไร้คุณภาพของเก่าของหมดอายุเลือกซื้อของตามปกติที่เราใช้เราใช้แบบนั้แล้วก็ใช้เราก็ซื้อแบบนั้นถวายผ้าไปคือเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่เลวเกินไปไม่ไม่หรูหราเกินไปแต่ถ้าอยากจะหรูหราก็ได้อันนี้บางคนก็คิดว่าทำแล้วทาให้ชาติหน้าก็ได้ของหรูหรากลับมา อันนี้ก็ไม่ห้ามแต่ไม่ได้กำหนดไม่ได้บังคับนะเรื่องการทำบุญนี่แต่ละคนก็มีความคิดไม่เหมือนกันบางคนเขาคิดว่าต้องปราณีตต้องดีต้องวิเศษเพราะต่อไปเวลาเขาจะได้ของกลับมาเขาก็จะได้ของปราณีตของดีของวิเศษถ้าเราให้ของไม่ดีใครเข้าไปเดี๋ยวเราก็จะได้ของไม่ดีกลับมานี่เขาคิดตามกฎแห่งกรรมไปอย่างนั้น แต่เราจะทําอะไรก็ตัดสินใจแล้วว่าวันนี้จะทําบุญกี่ตังค์เอามาเลยแล้วก็เอาละเงนก้อนนี้เอาไปทําบุญจะซื้ออะไรแบบไหนก็แล้วแต่ความเหมาะสมควรจะซื้ออะไรแบบไหนก็ซื้อไปแล้วก็ทําบุญไปแล้วก็จบเราต้องการทําลายความตะนีความหวงความยึดติดในเงินทองแล้วก็ความโลภอยากจะได้เงินทองใหม่เพราะถ้าเราทําบุญบ่อยๆต่อไปเราจะไม่ก็อยากได้เงิน ได้มาเดี๋ยวก็ออกไปทำบุญไม่ต้ยามาทาไม yeah. คำถามต่อไปจากคุณจันทนาทำบุญทำทานกับสัตว์ทั่วไปหรือคนทุกข์เข็นหรือพระผู้ทรงศีลได้รับผลบุญต่างกันอย่างไรคะก็บุญมันมีสอ ง, ส, อ ง, ส, องส่วนส่วนแรกคือบุญที่เกิดจากการเสียสละนี้เหมือนกันเสียเงินร้อยบาทให้ขอทานหรือให้พระก็เกิดความ เสียสละเท่ากันได้ความสุขเหมือนกันได้ชนะความตนันหีได้ชนะความหวงเหมือนกันแต่บุญอันที่สองที่จะได้จากผู้ให้นี่ผู้รับนี่ต่างกันให้ขอทานขอทานเขาก็อาจจะยกมือไหว้เราขอบใจเราให้พระ <ral: S 1> พร ะ, ะก็สวดมนต์อนุโมทนาอายุวนันโนสุขขังพลังก็ได้พรหรือถ้าดีกว่านั้นกับถบคุยกับพระถามธรรมะถามปัญหาธรรมะก็จะได้ได้ธรรมะกลับมา ได้ความรู้กลับมาอันนี้ก็ต่างกันตรงนี้ต่างที่ผู้รับจะมีอะไรให้กลับคืนเรากลับมาคาถามต่อไปจากคุณกังวานครับเคยได้ยินหลวงพ่อบอกกินเจแล้วไม่ได้บุญเป็นเพราะอะไรครับเพราะวัวควายมันก็กินเจนทุกวันเนี่ยมันได้บุญหรือเปล่ากินเจไม่กินเจมันก็เหมือนกันว่าบุญมไม่ได้อยู่ที่การกินกินอะไรหรือไม่กินอะไร บุญอยู่ที่การาทำาบุญหรือไม่ทำบุญนะบุญคือการเสียสละแบ่งปันเนี่ยเอาข้าวของเงินทองไปให้คนอื่นเนี่ยเรียกว่าบุญหรือนะว่าบาปก็คือการไปฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าเราไปฆ่าสัตว์แล้วเอามากินเองเนี่ยบาปเช่นเราไปเราไม่มีเงินไปซื้อของในตลาดเราก็ไปตกปลากันไปยิงนกกันนะแล้วก็เอามาปิ้งมากินกันอย่างเงี้ยบาป เรียว่ากินเนื้อสัตว์แบบนี้บาปแต่ถ้าไปซื้อเนื้อสัตว์ที่เขาขายในตลาดแล้วมันตายแล้วนี่มาไม่บาปแต่ถ้าไปสั่งล่วงหน้าบาปสั่งว่าพรุ่งนี้เอาปลาให้2องลนะอย่างงี้อย่างนี้บาปเพราะเขาจะต้องไปจับมาค่าให้เราแต่ถ้าเราไปแล้วไปดูตามที่เขามีขายอยู่เขาค่ามาแล้วอย่างงี้ไม่บาปคนคนคนก็เลยคิดว่าถ้าไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์ก็จะจะได้ไม่บาปจะได้บุญไง กเลยคว่ากินกินผักอย่างเดียวก็จะได้บุญกินผักมันก็ไม่ได้บุญมันไม่ได้ทำบุญถ้าอยากทํทำบุญก็ซื้อกับข้าวมาซื้ออาหารเจมาเลาไปใส่บาตรอย่างนั้นถึงจะได้บุญอาจารย์คะแล้วคนที่มีอาชีพอาชีพอย่างนี้เขาจะทำยังไงก็เปลี่ยนอาชีพสิคน <c oughs> ในชาปฏิบัติเปลี่ยนไม่ได้ทำไมเปลี่ยนไม่ได้คนอื่นก็เปลี่ยนได้ไ ม, ไ, ดไม่ยอมเปลี่ยนเองใช่ไหม ไปเป็นขอทานก็ได้เนี่ยไปบวชก็ได้เนี่ยเขายังคงต้องหาที่อยู่ก็เรื่องของเขาเลยเขาเปลี่ยนได้เขาไม่เปลี่ยนเองใช่ไหมเขาไม่ยอมเปลี่ยนถ้ารู้ว่าทำอาชีพนี้ต้องติดคุกติดตารางจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทันทีเลยใช่ไหมถ้าเกิดเขาออกกฎหมายมาพรุ่งนี้ว่าต่อไปนี้อห้ามทำอาชีพแบบเนี้ยใครทําจะถูกจับเข้าคุกใหญ่ก็ทำไงคะหลวงพ่อก็นั่นแหละ ถ้าต้องติดคุกนี่มันมันไม่ทํากันนะ่ะอันนี้มันร้ายกว่าติดคุกเนี่ยทำบาปไปตกนรกเนี่ยมันไปเกิดเป็นเดรัจฉานมันดีแค่ไหนแต่เราไม่เชื่อกันนะนั่นเองไม่กลัวกันไม่กลัวบาปกันถ้ารู้ตายไปแล้วต้องไปเป็นหมานี่อยากจะไปไหมอยากจะทำไหมถ้าอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ทําบาปนี่ยังไงจะดีกว่ากันซู้ไปเป็นทำอาชีพเก็บขยะขายยังดีกว่า อ ย, อย่างน้อยมันก็ไปทํำบาปตายไปก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าทําอาชีพนี้ฆ่าศัตวรูชีวิตตายไปต้องไปเป็นสุนัขไปเป็นอะไรนี้เราอยากจะเป็นหรอือเปล่าเขาไม่เชื่อเขาไม่รู้เขาคิดว่าครรําสานุระเจ้านี้เป็นคำเพอร์เจอคนเชื่อก็เชื่อแบบง ม, มงายพิสูจน์ไม่ได้เขาก็เลยไม่เชื่อกัน ก็เรื่องของเขาเราไปกังวลกับเขาทําไมแล้วเรื่อเราทรําเรื่องเราทําด้วยแต่เราไม่ทําก็ไม่ต้องกังวลก็ก <c oughs> มีความสงสัยอย่างบริษัทยยใหญ่ๆเขาก็ทำอาชีพ เ, <ข>เขาก็โง่ง <c oughs> ไงเขาเขาไม่เข้าหาธรรมะก็ไม่สนใจธรรมะเขาคิดว่าธรรมะเป็นขององมงายศาสนาเป็นขององมงายตรงนี้เขาไม่เชื่อหรอกเขาถึงรวยกันเพราะเขจะได้ทํำบาปได้ทุกรูปแบบโกงก็ได้ใช่ไหม เลยกี่ข้ออีกอีกสองข้อครับอาอีกสองข้อคำถามเดี๋ยวก่อนให้จบนะอ่ะเชิญชนะคะเอาว่ามาเอาให้จบเลยว่ามาคือเวลาที่นั่งดูลมหายใจนี่ยดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งดูลมหายใจสั้นดูลมหายใจยาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งลมหายใจค่อนข้างหยาอะค่ะหนึงข้อแล้ว้อ เหมือนไม่มีลมมานะคะแต่บางครั้งเนี่ยรู้สึกกลัวว่าไม่มีลมก็เลยพยายามหายใจแต่บางครั้งก็พอมีสติในระหว่างนั้นเนี้ยก็พยารู้เฉยๆพยายามรู้เฉยๆบางบางวันทำได้ค่ะหลวงพ่อพยายามมันไม่ ม, ไ ม, มีอะไรหรอกมันมันยังหายใจอยู่ไม่ตายหรอก ลราไปกลัวมันเองยมทราบเจ้าค่ะแตบบ่บางช่วงมันรู้สึกว่ามันทําไม่ได้แต่บางช่วงเราก็พยายามใช้สติก็้วก็ต้องฝืนทำไปเรื่อยๆต่อไปก็ทําได้เองอให้อยู่กับลมไปถ้ามันไม่มีลมก็รู้ว่าลมมันละเอียดแต่เราไม่รู้ก็ให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็นั่งอยู่กับคําไม่มีลมไปอย่าไปคิดปรุงแต่งแค่นั้นเองให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆอย่าไปคิดว่าไม่มีลมแล้วเดี๋ยวตายหรือเปล่าอย่าไปคิดให้ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไป จากตร็นั่งเดี๋ยวมันก็ลงหลุมไปข้อสมาธิเองอ่ะถ้าเราไม่ไปทําอะไรเดี๋ยวมันก็สงบเองอันนี้คืออปปนาสมาธิก็ไม่รู้แหละมันจะลงลึกขนาดไหนก็แล้วแต่มันอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเราก็เป็นขั้นเบื้องต้นใช่ไหมให้รู้ไปเฉยๆ น, ะ น, ะนั่นแหละรือว่าลมละเอียดก็อยู่กับความละเอียดของลมไปอย่าไปอย่าไปดึงลมหายใจกลับมามันไม่ไม่ก็ปล่อยมันไม่มีไป ให้อยู่กับความไม่มีไปอยู่กับความว่างไปให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างว่างก็อยู่กับความว่างไปแล้วเราสามารถนั่งได้นิ่งนานในบางวันนะค ะ, ะแล้วออกช่วงที่ออกเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีสติมากอันนี้ถือว่าก็เพราะเรามีสติมากมันถึงนิ่งได้นานเนี่ยถ้ามีสติน้อยมันก็นิ่งไม่ได้นานก็กลับมาออกมาก็ม า, มาสร้างสติต่อพุทโธต่อ เล่าเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ mm hmm. แล้วพอมีเวลาแล้วพอสักพักอยากมีเวลานั่งต่อก็กลับไปนั่งใหม่ mm hmm. นั่งบ่อยๆนั่งเยอะๆ mm hmm. คิดว่าการนั่งนี่เหมือนกับการเข้าไปนะั่งอยู่ในห้องป่าประกาศออกมาเนี่ยเหมือนออกมาข้างนอกเดี๋ยวมันก็ร้อนพอมันร้อนก็กลับเข้าไปนั่งในห้องป่าประกาศดีกว่า อย่าปล่อยใกิเลสเป็นต่อให้เราไปนั่งดูทีวีต่อไปไปเปิดดูไลน์ต่อไปอะไรต่อกลับเข้าไปสมาธิ ต, ต่อสู้นี่มันยากเลยเคยนะคุณพ่อกิเลสมันตโตมันใหญ่กับเรามันเป็นช้ำโลกเนี่ย <c oughs> อา้อาวอีกสองข้อคําถามต่อไปจากคุณรัตดาครับเรื่องความโกรธขนาดโกรธพอเห็นความโกรธก็รู้ตัวรู้สึกโกรธ ล, ลดลงจะเป็นทางละความโกรธอีกอย่างไหมครับ ก็ดูสิมันละก็ต้งละเดี๋ยวนั้นเลยจะมาถามทำไมถ้ามันหยุดความโกรธได้มันก็ละได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ยังละไม่ได้ถ้าจะละอย่างท้าววงก็ต้องไปละที่เหตุของความโกรธก็คือความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่มีความโกรธถ้ามันมีความโกรธก็ต้องหยุดมันให้ได้อย่างน้อยก็ต้องหยุดมันให้ได้ก่อนอข้อสุดท้ายครับจักกุณฑลีครับคนเราสามารถมีสติ ต่อเนื่องตลอดเวลาได้ไหมครับได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมีสติตลอดเวลานักปฏิบัติทางส่วนใหญ่ท่านก็จะมีสติตลอดเวลาท่านเรียกว่ามาหาสติไงคําว่ามาหาสตินี้ก็คือไม่เผลอเลยมีสติอยู่ตลอดเวลาหมดแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา